Copyright g o l a München Book <two. S 2> คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งวียคน Persones <as. S 2> ดิฉัน S, <Is>. <S ดิฉันและคุณ เุ und เราทั้งสองเมอบเขาวิงชเขาและเธอวิอเขาทั้งสองวิอบผู้ชาย สีเหียติสผู้หญิงเสียเวียเตเด็กแบงส์ครอบครัวยิเมเนครอบครัวของดิฉันมานัางยิเมเนครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ มานะจีแมนไอร์เชตดิฉันอยู่ที่นี่เอสแอสมู i ชตคุณอยู่ที่นี่ d i เอซิเชตเขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่วิชอชคุณวิอรเช เราอยู่ที่นี่เมสเอซัมเชตคุณอยู่ที่นี่ยูสเอซัทเชตพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่วินิวิสิอิรเชต